คำปรารบของหลวงพ่อในวงเล็บ5กรกฎาคม 2,552 ในวงเล็บหนึ่งที่หลวงพ่อเทศเอาไว้เขาทำเป็นซีดีทำเป็นหนังสือเอาไว้เยอะหนังสือก็มีหลายอย่างหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเองนี่มันจะมีลักษณะของตำราแต่อย่างที่หลวงพ่อเทศแล้วถอดมาเป็นกันกันจะมีปัญหาบ้างในการฟังเพราะบางทีสับคาเดียวกันใช้กันคนละแห่งความหมายมันก็คนละความหมายแล้วเช่น คนฟังวันนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนั้นวันนี้หลวงพ่อว่าอย่างนี้นั่นก็เพราะจริตนิสัยของคนฟังไม่เหมือนกันแม้แต่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีลักษณะอย่างนี้ปรากฏอยู่อย่างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเทศให้คนหนึ่งฟังว่ากาลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ต่อมาท่านเทศให้อีกคนหนึ่งฟังว่าโยนิโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์คราวนี้นักคิดจะงงแล้วว่าทําไมพระพุทธเจ้าสอนสองวันไม่เหมือนกัน หรือว่าจะต้องกัลยาณมิตรบวกโยนิสโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี่เริ่มคิดเลขแล้วมีเลขบวกถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่พระพุทธเจ้าเทศไม่สมบูรณ์สิใช่ไหมต้องเอาหลายๆวันมารวมกันถึงจะสมบูรณ์จะเอาอย่างไรแน่กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือโยนิสโสมนสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์จริงๆแล้วมันเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์สําหรับคนนี้เท่านั้นธรรมะแต่ละอันแต่ละอันไม่เหมือนกันหรอก ฉะนั้นเราเรียนธรรมะอย่าไปติดอยู่ที่ถ้อยคํานะถ้าติดอยู่ที่คําพูดแล้วเสร็จเลยให้ดูที่เนื้อหาสาระว่ามันจะปลดเปลื้องใจออกจากกิเลสจากกองทุกข์ได้ไหมไม่อย่างนั้นอ่านแล้วจะงงหรือบางคนคิดมากกว่านั้นอีกนะคิดแบบตรรกศาสตร์พระพุทธเจ้าบอกโยนิโสมณสิการเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ อีกวันหนกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์เพราะฉะนั้นสองอันนี้เท่ากันใส่เท่ากับเอาไว้ตรงกลางตัดสิ่งที่ซ้ําออกเพราะฉะนั้นกัลยาณมิตรคือโยนิโสมนัสิการบ้านหนักเข้าไปอีกนี่คิดมากนะเรียนธรรมะอย่าเอาโรคจิตชนิดนี้มาใช้ขนาดพระพุทธเจ้าสอนยังมีอย่างนี้หลวงพ่อเป็นพระปลายแถวสอนนะไม่งามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกถ้าเรามาติดที่ถ้อยคํานะ คนหนึ่งบอกหลวงพ่อพูดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งบอกหลวงพ่อพูดอย่างนี้ทะเลาะกันได้ไหมทะเลาะกันได้แน่นอนรับรองฉะนั้นถ้าสงสัยจริงๆนะให้ย้อนไปดูในตำราที่หลวงพ่อเขียนเอาไว้สิ่งที่เป็นตำราจริงๆจะไม่ยาวหรอกอย่างในเครื่องหมายคำพูดวิธีแห่งความรู้แจ้งวงเล็บเปิดเล่มสองฉบับปรับปรุงวงเล็บปิดจะมีสาระที่เป็นหลักการปฏิบัติครอบคลุมอยู่ถ้าออกแนวนี้ใช้ไม่ได้แล้ว แต่รายละเอียดหรือลีลาในการเดินทางนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกลีลาของใครก็ของคนนั้นถ้าเดินของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันเลยดังนั้นลีลาการดำเนินของจิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราศึกษาธรรมะต้องคอยระวังนิดนึงลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันเถียงกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสมัยพุทธกาลทำไมพระแตกนิกายกันละ่ะหลังพุทธปรินิพานพระมหากัสสปะทาสังขยาาเสร็จแล้ว ขอให้พระอีกกลุ่มหนึ่งที่มาไม่ทันรับรองพระที่มาใหม่ท่านก็บอกว่าโอ้ท่านสังขยานาแล้วก็อนุโมทนานะแต่ผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมได้ยินมาจากพระพุทธเจ้าเห็นไหมแต่ละคนได้ยินไม่เหมือนกันเลยเชื่อไม่เหมือนกันขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องปกติเลยลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันอย่าว่าแต่ลูกศิษย์หลวงพ่อแม้แต่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายังมีความเหลื่อมในความรู้ความเข้าใจกันคนละแง่คนละมุมอย่างบางคนหลวงพ่อบอกว่า ไปเดินจงกรมสิบางคนหลวงพ่อบอกไปทำสมาธิก่อนบางคนหลวงพ่อบอกสมาธิที่ทาอยู่ให้เลิกไปแล้วจะสรุปว่าหลวงพ่อสอนให้ทาสมาธิหรือสอนไม่ให้ทำสมาธิละ่ะใช่ไหมฉะนั้นต้องระมัดระวังนะในการเรียนธรรมะอะไรเป็นหลักอะไรเป็นลีลาในการปฏิบัติของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก